จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อพระมหาสิงหวิสุโอแห่งวัดพระพุทธบาทถ้าป่าภัยอำเภอรีจังหวัดกำแพงเห็นได้อ่านหนังสือลกทิพย์ตายแล้วไปไหนให้ท่านท้ทั้งหลายฟัง เป็นเล่มที่เจ็ดหน้าที่สิบหกพระอาจารย์ารยานเวสโกท่านระลึกชาติถอยหลังไล่ชาติก่อนได้เกิดเป็นท่านเจ้าคุณพระอุบาลีกุนุปอาจารย์ในวงเลยบจันสิริจรันโทมีนามเดิมว่าจาันนามสกุลสุภาพศร พิดาชื่อสอนมันดาชื่อแก้วมีพี่น้องร่วมพิดามันดาด้วกันเจดคนตนเองเป็นบุตรคนโตขึ้นเปครอบครัวเป็นชาวนาเกิดเมื่อจันสี่แรมสองข้ำวบนสุขปีมะรงเวลายี่สิบสามนโรงกับพศสองสสแปที่บ้านหนองไหลตังบนหนองไหลอาเภอเมือง บางหวุบราชธานีได้วมดเป็นส ม, มนเด็จเมื่อเดือนยี่อีมารงพศ2411และศึกออกมาด้วยเหตุยังเป็นในภายหลังขั้นต่อมาได้เข้าปสมบตณวัดสีทองเมื่อเดือนหกขึ้นแปดค่ำอีชลูพศ2420โดยมีท่านเอวะธรรมี ในวงเล็บเมาวเป็นพระอุปรชาชแทนพระอธิการสีโหในวงเล็บวัดใจมงคลเป็นว่าเป็นพระกรรมวาจาจาณวรรคสุดท้ายแห่งชีวิตในอาภาัตนาในโรคมะเร็งในกระดูกและมรณภาพณปุติเขียววัดบรมงในวาดยศเสกรุงเทพในปีพศสอง5เจ็ดสิบห้า รวมสู อ, อายุ77ปีอันสา64พ่อหนูน้อยจันวัยสามวกก็สามารถเล่าถึงอดีตชาติของตัวได้อย่างเ้าะเจ้าคร่องแคล่วชัดร้อยชัดคำไม่มีที่ขาดเล ย, เลยทงความตื่นเต้นแปลกประจัยถึงขั้นอัศจรรย์นลึกให้เก็บิดามันดาในชาติปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่งที่พ่อหนุ่าจย์นั่งเคี้ยวหมักกลูอยู่อย่างอร่อยในอารมณ์นั่นเขาเนิ่ขึ้นมาได้ว่าเมื่อหลายวันมาแล้วขณะที่หนีออกจากบ้านเดินตอแต่ตอดแ ต, ต, แต่ไปเที่ยวเล่นที่ป่าชานั่นได้ผ่านเดินโคกป่าไม้แห่งหนึ่งให้พบเห็นชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่และหนุ่มๆตั้งวงเล่นกันพ น, น, นันเนี่ยโอ่าในวงเล่น การชัดเบี้ยเข้กระบอกแล้วให้ลูกมือแทงกันสูงเสียงเฮหาครึกคร้นและยังมีการออลล่เกันก็จำหน่ายขายกินกันมอไมอีกด้วยมอไมอีกด้วยทำให้คโนโน้อยจันเกิดความรู้สึกสลดสำเักใจที่คนมานาแั่นล้วนโงกเขาโ ง, งงายอยู่กับอัมบายู่พวกอันเป็นทางผ่อนชิบหาย เราจะต้องไปตักเกือนเทศนาธรรมสามงสอนคนเหล่านั้นให้พวกเขาได้สติรู้จักพิดรอบในขณะที่นึกคิดนี้ปัญญาความรอบรู้และพระไตยปิโกนี่ผุดว่าขึ้นในใจย้ำได้ว่าในบิสชาติสมัยที่เคยเป็นหลงตาจันนั่นในค้นคว้าศึกษาอันพระไตรปิโกยนหมดสู้พระคำบินมาแล้ว หนังสือไทยหนังสือลาวหนังสือหอมก็สามารถอ่านเขียนจาได้รู้ลึกซึ้งอย่างแตกฉานและเคยเป็นพระธรรมประทึกนักเทศผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือเมื่อลำลึกถึงอจิชาติได้เจ่นนี้อจิความจำก็หลั่งหลายมาอย่างต่อเนื่องรวดเร็วในเมื่อนอนถวานวิถีไม่ขาดสายนึกอยากจะรู้อะไร ก็รู้ได้หมดในทั่วขณะจิตนึกเกี่ยวกับรู้เรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาก็รู้ได้ในทันทีถึงเรื่องการเข้าทาตออกธาตุอันเป็นหัวใจของหลักวิชาพวกฤาษีเทวคีที่ตั้งหลักสสยศาสตร์ขึ้นมาในโลกนอกจากนั้นยังรู้เปิดอย่างถึงเรื่องเกิดสินชาญและกรรมฐานสี่สิบปองของพุทธศาสนา มีความรู้สึกว่าความรู้ทั้งหมดเหล่านี้ติดอยู่ในฝ่ามือทั้งสองของตัวเองซึ่งสามารถจะใช้ได้มเสมออย่างนั้นแหละยิ่งล้าลึกนึกถ้วหนหลังไปถึงอดีตแลาปังก่บนก็ยิง่งก็ยิ่งได้รู้ได้เห็นอะไรลึกซึ่งกวางขวางออคอยไม่มีขอบเขตเออนึกจำบุคคลสถานที่ข้าของได้ตลอดคลก็ว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่ได้่านมาอย่าง ร้อนๆขณะที่เน้นถึงไอ้ยอย่างเพลอนๆนี่ตัวรู้ก็โวกับมาลงที่ของพิภพตทีพิโนโที่เจริญปวยในไมลานเป็นภาษามะค ต, ตครตะกีก็ตื่นตัวขึ้นเต็มที่ว่าเรานี่ยังเป็นพระอยู่นี่นะพอรู้สึกเช่นนี้ก็เกิดอาการขนพองสยองกล้าวเจิตัวสั่งสทานมีความร้อนร้อนไปทั้งกายและใจ อยากหนี้ออกจากบ้านไปเลยๆเพราะบ้านช่องห้องห้างของิธ ร, รมามดาเป็นที่คุกดี่โม้สูมของคารวะาน่าเบื่อหน่ายเราเป็นพระถึงไมสคมควรมาอยู่ในบ้านแห่งนี้เมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้จึงรีบลุกขึ้นเดินไปหยิบเแจกชีพึ้นก็มาฉีดในห้องเปึงมาใส่กระเ๋าแล้วเดินลงจากเดินไปเพื่อเดินไป น, นั่งชั่งใจไว้อยู่ที่วัด แต่ไม่รู้เหตุใดขากับพาเดินเปิดชางคบเนินว่าม้อยที่ชาวบ้านว่างงานและเลีดูแรงไปมั่วสูมชุมหลงด้วยแรงพนังเมียร์ปกกันเมื่อไปถึงก็รู้กันได้ว่าเราได้ตั้งใจว่าตอนแรกนี้น่าว่าจะมาตเตือนเทศสั่งสอนคนเหล่านี้ให้พวกเขารู้เสียว่าการพานอนเป็นอัาใบมุกเป็นทางแห่งความผิบหาย และควรจะมาการทามากันบ้ามากานทาแบบนี้เมื่อคนเจียาการมาบ้าอยู่กับการพนนและกินนอโมยาอันเป็นทางแห่กงการเสียสติกาการทะเลาะวิวาทพอเดินไปใกล้จะถึงวงพนันเบี้ยโป๊ะารานั่นก็ดีเสียงใครคนหนึ่งร้องโอ้ยแสดงความเจ็บปวด แกนั้นเจ้าของเสียงร้องก็วิ่งโคตรพาดออกมาจา ก, กยองปวดใดใจตื้นใจด่๋ให้หลงหลังชัยผูนั้นเข้าไปปะสะัสสาวะถูกงูเขียวหันมหมย ก, กัดเอาจะเป็นเพราะพิงโงูหรือเพราะความุกใจปกดตายก็นนี่ผมไมรู้ทำให้ชายผู้นั้นโล่งลงดิ้นอยู่กับพื้นดินร้องควนคว้าง ม, มูคาดงูขาดขอให้ช่วยเยพวกวงพ น, นันเบียวโปะแกฮือดันทีอาารนารุ้องโดยชักัน คนเจ็บกดตกเลอะเอเดี๋ยวว่างูเขียวหางไหม้ก่อนเดี๋ยวพูว่างูหอกก่อนเลยจับความไม่แน่แน่ทัดว่างูอะไรกัดงูเขียวหางไหม้พิษไหม้มากก็ยิงแต่ถ้าก่อดโอนที่มีพุงตั้นสันอ้อยเดินกัดเข้าก็ตายหรือถ้ายิ่บถ้ายิ่งเป็นงูออกก่อนแล้วพอจิตใจแน่แน่ไม่มีทางรอดนอกจากจะรีบหางคนเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองชาวบ้าน วัยอาวุโสคนหนึ่งพูดเพื่อ น, นำทําให้คนอื่นๆอาการพูดการ อ, อ, อื่นว่าจะหาคนเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลังหวัดสุรินดีหรือว่าจะหาไปหาหม อ, อยากลางบ้านให้รักษาดีขณะที่จะบ้านว่านาการยังไม่ตัวลงนี่เพราะหนูน้อยจันทร์วัยสามกว่ ย, วกยืนลางความอยู่และเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดความรู้สึกของว่านูน้อยจันาร์ขณะนั้นเป็นความรู้สึกสำนึกจน ว่าตนเป็นพระภิกษุเจ็มตัวไม่ใช่เด็ะธรุกวยชังพวกแต่อย่างไรตนคาถาถอนพิษงูพ่อพูดว่าพุทธเจ้าว่าในอดีตชาติสมัยที่ตนเป็นพระทรงจาด ก, การท่องเที่ยวแสวงวิเวกในนั้นเคยใช้คาถาถอนพิษงูเห่าและงูพิษแตก่างให้ชาวบ้านป่าเจือหายเป็นปกติรอดชีวิตมาแล้วหลายหลายดังนั้น พ่อหนุน้อยจันจริงเดินเข้าไปแล้วบอกคนเหล่านั้นว่าค่อยจะก่อให้เดี๋ยวก็หายบากใจรอกเสีงเยงพดทธเจ้าเจยวของทารุหัวท่อคําปอนไวสารกวกที่สอดแสกเข้ามาทำให้พวกผู้หลักผู้ใหญ่เหลือมองเป็นตาเดียวีะยของวัลเอฮามองคนก็สวดว่าบอกขำน้อยทะลึ่งไป ถ้าลืมมากแล้วคนผูกงูพี่กิกลจะเป็นจะตายมันยังมาทําเป็นพูดเล่นๆ เ, เหมือนเล่นดินเล่นทรายขายหมอ้อเอาหมกแข่งอย่เลยรีบไปซะดีกว่าแย่ามากีกากทางผู้ใหญ่นะเออหนูน้อยเจอชักศูนที่ผู้ใหญ่หาว่าเป็นเด็กเพราะความรู้สึกนั่นเข้าใจว่าจนเป็นผู้ใหญ่เตรียมตัวได้ยงเป็นตาอีกหน่อยจริงๆว่าค่อยพูดจริงๆนะค่อยมีคาถาเปล่าถอนพิณงูได้ ผู้ใหญ่โห่เลาะปฏิคลึงอินทรกแล้วเดืองสาอวยสามพวุธยาชาฉ า, านเอแดแดเป็นตัวแล้วคนหนึ่งร้องถามว่ามึงไปเรียนกระถาปอพิทูมาจากไหนวะไอ้บอกขำน้อยเรียนมาจากพระปอหนูน้อยจังต่อประจาำกรมมาถึงพระอาจารย์อุ่นหนึ่งในอดีตชาติป้าที่ไหนชาวบ้านชักเอาความบอกแม่ได้เป็นแค่จังต่อเบียงเลี่ยวค่อยปอสอนพิทงูได้เขาเล้ยไป เชื่อว่าอีกคนก็ขึ้นอย่างรําคาไม่พอใจว่าอย่ามัวไปพูดเล่นอยู่กับเด็กวันรุ่นอยู่เลยคนถูกก็จะตายอยู่แล้วก็ร อ, อเรื่องปัญหามันไปไปหาหมอที่โรงพยาบาลเร็วขึเถอะผู้ใหญ่ อ, อีกคนร้องฟังเพื่อว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นลูกานางก้วมมันมีอะไรแปลกอยู่ไม่เหมือนเด็กชาว บ, บ้านทั่าย พ่อแม่มาเลาว่าเด็กน้อ ย, น, ยนอนบนบ้านใดๆนอนแล้วยิ่มทุรนทุรายตอนรุ่งเหมือนไฟสุมร้องควงคางมาร้องขอลงต่ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อนอนที่แคบไม่้่อยได้ขึ้นไม้หนะ้าบ้านทุกคืนที่ น, นอนหลับได้บางคืนมันชอบหลบไปนอนในป่าช้าคนเดียวหรือไม่ก็เดิ น, น, อนรอบๆหมู่บ้านทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเดินไปสวยมว น, มนไปคุ้มความคุ้มความไปเหมือนคนบ้าน พ่อสงสัยว่าเด็กคนนี้นะมันจะมีอะไรอระไรดีนะเราให้มันเป่าดูสักหน่อยสิผู้ใหญ่หลายคนในที่นั้นรู้สึกทึ่งจริงสนับสนุนให้เด็กชายจันเป่าแผลมูกระดองดูปรากฏว่าเมื่อพ่อหนูน้อยจันเป่าลมปากออกปวดปวดปดสามครั้งทนั้นคนถูกมูพิกด้อยหยุด ร, อร้องโขนพางก็หายปวดเป็นจริ้ง สามารถลุกขึ้นนั่งได้หน้าตาสดชื่นหวนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเอาผู้ใหญ่ทุกคนในที่นัานประหลาดใจไปตามๆกันหลายคนได้สักถามถึงคาถาพอกพี่นุว่าว่าอย่างไรบ้างทำไมถึงเลือกของตื้นมหาสจัารทางใดเห็นที่นี้พ่อหนุนไม้เจญก็บอกว่ า, วาถ้าใาอยากจะยนเอาคาถาวิเศษนี้ก็จะสอนให้แต่จะต้องมีพิธีให้ถูกต้อง คือนหงขาวหงขาวรักษาศีลแปะให้ราชก่อนยึนะเจริญสถานีขึ้นหรือขลังมีคนหนึ่งมีนี่ถายคัานได้ร้องกันว่ากูไม่เชื่อมกน้อยคนนี้มันเกลียดเกินไวที่จะตั้งตัวเป็นผู้วิเศษแบบผีบ้าผีบุญมาเกิดที่มันปลอบคนเดยกดร้อนนี่นะกูว่าฟุกมากกว่าแล้วงูก็งูพิดไม่ได้กาดหรอกนะมันเยอยกอกขน ไม่มีหนังเข้าและรูดหนังดาวเอาเลยนึกว่าเป็นงูเหากัดเพราะความคีข่ขาดตาลายไปนั่นเองไอ้ชายจายันทรชักฉุนที่ถูกขัดคอจึงสบัดหน้าเดินหนีอยดึงความตั้งใจที่จะเทศสร้สอนคนลนั่นไม่เห็นโทษของอบาบมุก ค, คือาการได้นงินผลันก็้าดิ้นเล่าเมามยาอันร้อเป็นทางแห่งความคิบหายล่างลั่น พระอาจารย์จยันทเขาเวสโปได้เล่เาถึงชีวิตของท่านได้ว่าเด็กตอนนี้ว่าชีวิตของอาตมานันแปลกร ป, ประหลาดจริงๆดูแล้วมัน่าเชื่อจตมันครบถิ่นไปแล้วเมื่อการเวลาผ่านมานานปีจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้อาตมาได้ข้อคิดในเรื่องคีวิตของคนละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้่องเห็นถึงอดีต เสิ่งที่เกิดในอดีตทำให้มาปรากฏขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่มีในปัจจุบันที่ร่ำมาจากอดีตทางนั้นผู้ที่ละอดีตและละปัจจุบันได้แล้วสร้างความรู้อยู่แห่งธาตความเปลนต่อความเปลนอยู่และเทรู้ต่ออยู่ต่อคำว่าจิตความนึกคิดทั้งฟงทั้งหลายเป็นผู้ไมนน่เกี่ยวข้องแห่งกรสอารมณ์นานย่อมมิเดช พระอริยเจ้าเทวนั่นอ่านทีนะอันชานใจก้าน้องเทวนั่นผนะู้นี้ละอดีตและละปัจจุบันได้แล้วสร้างความรู้อยู่แห่งธาตุความเป็นเจอความเป็นอยู่และที่รู้อยู่ต่อความว่าจิตความเนึกอทิศทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งกระแสอารมณ์เทวนั่นก็มีเดชพระอริยเจ้าเนั่น ตอนที่อาตมานี้ได้สามโคแล้วเจมันนุษอย่างประธานพระยิ่งขึ้นหนุบหน้าปฏิบัติเด็กมันนอกในวัยนั้นเวลาพูดกับผู้ใหญ่เขใช้ความสรัทธาในตัวค่อยอย่างนั่นค่อยอย่างนี้พอมาค่อยเป็นความสุภาพนอก น, อน้อมหมายถึงกระผมหรือผมนั่นแหละแต่ที่นี้บางทีอาตมาก็เกิดไว้นึกว่าตัวเองยังเป็นพระหลวงตาจังในแท้ก่อนอยู่ไมาใช่เด็ก ใจเดในชาตินี้ทางนั้นเวลาพูดประคายจึงเปือใช้ความเ็นตัอัต ม, มาอย่างนั้นอัตมาอย่างนี้ก็เลยถูกผู้ใหญ่ดูเอาว่าเองยังเป็นเด็กยังไม่เรียนบทเป็นพระเดี๋ยวพูดความแทร่ตัวอัตมาไม่ได้เดี๋ยวความพูดพระมาพูดเลย น, นะกลบาปแผนเน่าบาปจะกินหัวตายไปตกนรกเมื่อถูกผู้ใหญ่ดูอัตมาประเสธว่าเออเราผิดไปแล้วที่เอาเ อ, าอธิษฐามนมาเป็นชาติปัจจุบัน มันเป็นคนละเรื่องของรักชีวิตอดิชติเป็นเรื่องดับไปแล้วสูญสลายไปแล้วเหมือนอ่าหมอกขาวเย็นขึ้นปกคลุมหอหุ้มหุบเขาอา nhang ในฤดูหนาวพอสายสายทุกแสงแดดขับไปไม่มีเหลือแต่น้าแหละสัญญาความจำใ น, นอนดิชติมันยัอนแจงสายอยู่เหมือนเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปสดส ด, สดร้อนๆนนๆยิง่งผพูดแต่ความแอนรว่า อาตมาอาตมาอยู่เสมอชีวิตในวัยสามพวกมันตื่นตัวอย่างแรงเหมือนคนรอตื่นจะหลับแล้วอยากจะไปไหนมาไหนนั่นแหละอาตมาเห็นชีวิตในบ้านเรือนหน้าัวหน่ายไม่อยากจะอยู่ในบ้านเน่เรื่อยกลาวันอยู่บ้านไม่ได้มันรอนรุมรุ่มร้อนไปทำตายทั้งใจต้องหนีก็ไปอยู่ในป่าย อ, ยย อ, ยยอยู่คนเดียวแล้วอยูเทียนหน้าเด้นอยู่คนเดียว ให้นั่งเพ่งเทียนอยู่ในที่สงบัดวืวกเยฉะนั้นทานรู้สึกสบายใจมากมีความชุ่มชื้นเย็เยนเย็นยังบอกมาถูกจิตไม่นึกคิดอะไรเลยมารู้สึกปรง่งร่งร่องนะปร่งขาวไปหมดดูเบื้องว่างเหมือนร้องฟ้าหาขอเเขตไม่ได้ถ้าพูดจามภาษาของพระธรรมก็าเรียกว่ามีความสงัดกายหรือกายวิเรศก็มีความสงบจิตคือจิตตะวิเ เมื่อการเพ่งไฟเทียนอาจัดเป็นเตโชภา ษ, ษีในองค์สมถะภาวนาซึ่งมันเป็นไปเองโดยอุปนิสัยความคิดพูนเคยชินเนื่องมาจากชาก่อนสมัยเป็นหลวงตาจันที่เคยท่องเที่ยวยิเวกกรางฐานในป่าเขาลำหน่ออยมามากนั่นแหละขณะนั่งมองจ่องเทยนอยู่ น, นั่นร้ามีคนมาคอยกบกุมอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครและพอเทียนหลับไปก็จกิเกิดยานรู้แปลก บางวันก็อยู่ในป่าจนค่ามืดเพราะไม่ได้อยู่ในป่าแต่ลำพังกูดเดียวแล้วจีตายเบิก บ, บานของแควด้วยความรักความชอบใจเติดไมใ้ใบหญ้าวิหกนกร้องที่ประโบดอยู่รอบด้านบางวันก็เดินกลับบ้านเองรางวัลพ่อแม่ญาติพี่น้องอดจิตใจออกมาคูร้องเรียหกหาคอยโบเบลโบเบลในป่าช้าบ้างในป่าใกล้ๆบ้านบ่างพเพราะขอบครัวจะมาซึ่งลอมเปเด็กวัยสังกบจะหลงปล่า จะถูกผีปราดผีโดงหรือสัตว์ร้ายทำลายออกพวกผู้ใหญ่ที่มาดางหาก็ดุดา่าเอาต่างๆนานาหา้ามทำน้ำหน้าอยู่พุทธเชนี้ก็ทำความหลับแบบกาย ใ, ให้พ่อแม่เหยายพี่น้องที่พ่อของยายแต่ถ้าอยากจะบวชเรียนจริงๆก็ขอให้เรารอให้โตเสียก่อนเมื่อกลับมาบ้านมดืดค่ำแล้วอจะมานอนบนบ้านไม่หลับหลอกนะ มันรุ่มร้อนไปทั้งกายใจหมนอนอยู่ในเตาอบร้อนอย่างนั้นแหละพอพ่อแม่แยายพี่น้องนอนหลับกันหมดแล้วตั้งมาก็าจะแอบย่องลงมาจากบ้านมานอนข้างล่างที่แคไม้ายไผ่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านแล้วคลอยคลายความรุ่มร้อนลงไปไล่ถึงหลับไปไอ้ชอบฝันแปลกๆนะผ่อนซ้ำๆคราบๆ ส, กๆสกๆุกคืนรุกคืนเช่ น, นหวานใบแนหะ ไปใ่ท้องฟ้าบ้างฝอนไม่ต่อสู้อุตรุจม่มารร้สู้ต่อสู่กัอพภัยบางคืนฝอนว่าเป ล, เาลี่ยนพาะอรหลงเทศนะมาคืนฝอนวันได้ประหาภาคุมวิเศษในเวลารางวัลมาไม่ชอบขอลวมวงเล่นกับพวกเด็กๆไม่ก่นอนเพรารู้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วดัง น, นั้นธรรมาถึงชอบข้าไปคูกคีกับพวกผู้ใหญ่ขอมากครูขอมาเที้ยวของตัวหมือนผู้ใหญ่ ท่านั้นก็เล่าเรื่องธรรมะเรื่องชาดกชาดกสนุกนะเรื่องในพระไตรปิดกให้ผู้ใหญ่ฟังเป็นการสอนธรรมะปในตัวพอกผู้ใหญ่ก็ประรจชายเสียธรรมเอย่างเด็กว่าแค่สาพวกจะมาเรารู้พูดย่อเรื่องธรรมะสูงสูงได้คนเขาเล่าเลยเป็นไปหลายหมูม่บ้านอาตมาก็ยิงเทศเรื่องธรรมะให้ใ ค, คายคลายฟมากขึ้นคนก็ยิงมีาพากวิจาณกันไปบางคนก็าอาตมาเป็นดุถูกผีเข้า เจ้าหญิงให้พูดพร่างเรื่องศาสนาบางคนก็อาจจะมาเป็นเด็กประสาทเพีพ้ยนสติฟเฟื่องเกินวัยบางคนก็อาจจะมาเป็นผูดผีปีศาจแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องและคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมาเป็นพระนักบุญผู้คงเรียนมาเกิดบางวันขณะจืดที่ยนนั่งเพ่งอยู่ในป่าคนเดียวจะมีลมพัดมาในหมู่ไม้ตลปฟุ้งเป็นกลิ่นหอมไปยทางป่าหอมยิ่งกว่าซีงหอมกระจายประดามีในโลกที่พบเหล่านี้ อาตมาก็ได้เดบแต่เชว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนาะมันไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้แล้วก็มไม่เหมือนกลิ่นน้ําอกน้ําหอมเพราะมันหอมพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะอาจารย์หลายเสียงเล่าลเรื่องอาตมาซึ่งเป็นเดบกราดเพาว่าสามกุกกุญแจเล่าเรื่องไปกว้างไกลชาวมาก็มีคนเจ็บไขยได้บ่วยมาหาขอทดรองอาตมารักษาให้อาตมาก็รักษาให้ด้วยวิธีเป่าพ่นน้ําบต์น้าหมา คาถาที่ใช้ปล่อกแค่โรกนั้นมันเกิดขึ้นในใจเองเมื่อใช้แล้วภาถานั้นก็หายปล่อยจะไม่ได้แต่ว่าเวลาผ่านไปนะนึกได้กลับมาอีกคือนึป้ปุขึ้นมาได้นะแปลกมากผลการรักษาด้วยชีปอมูลเนี่ยปรากฏวหายทุกรายเช่นแขงขาหอบกหายเจ็บไข้ได้ป่วยอะก็หา ย, ย, ย, ย, หายที่สามารถรักษาชาวบ้านให้หาจะโรคปล่อยไข้เดียวเนี่ยจะมามีความเมนตาตอนมดโตเป็นผู้ใหญ่ได้หมดเรียนมาได้ว่า เป็นเพราะโลคาพาิจิตรนั่นไม่มีอำนาจอยู่เนืธาตุทั้งสี่ดีน้ํำลงพอยที่ขูดยนสมดุลการในร่างกายประการที่สองเป็นเพราะ บ, บุญก ร, รมของคนเจ็บไข้ ย, ยังแข็งอยู่คือยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะหมดชินอายุขประการที่สามเป็นเพราะหน้าอิริยาบถบางก่อนโน้นคนเจ็บและตามาเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือพึ่งการกันมาแล้วอย่างดียิ่งหรืออาจจะเคยกระทําทานารักษาศีลเจริญปันะ ภาวนาร่วมกันมาในสำนาักศาสนาเป็นกิจกรรมิตรในทางต่ำปรอกอบการจรึงขอให้ธรรมาสามารถรักษาขอให้หายได้แต่ถ้าฉัดบางก่อนไม่เคยสงเคราะกันหรือไม่เคยวางเป็นธรรมร่วมกันมาก่อนอาจจะรักษาไม่หายเลยจะเรียกว่าบารมีไม่ถึงซึ่งการได้การก็ได้เรื่องนี้ธรรมาขอฝากให้อุณยมเอาไปไว้เป็นข้อสังเกตด้วย จะเห็นว่าวันลาผู้วิเศษทางเศยษฐศาสตรพ์พอดีผู้วิเศษทางทรงเจา้าข้อผิดพอดีและผู้วิเศษทางกสินอภิญญาปพอดีจะสามารถใช้พลังจิตฤทธิ์เดชใดๆรักษาคนเก็บค้อยให้หายได้นั้นจะต้อ ง, องในลาภเพีนที่อาตมากล่าวอันนี้แหละดังมีพุทธประชิดบุตนึงว่านักจิวิชาสมังวิตรงังนักจะกเบริสมโูรีปูนักจักอัตสมังเปรมงัง น่าจะธรรมะสมองพลังชอบเส ม, มอโดยมีทางไม่มีข้าศึกเส ม, มอโดยพยาธิไม่มีความรักเส ม, มอดโมมอมมมอดยตนไม่มีความรักเสมอโดยแรงกลไม่มีเมื่ออายุได้แปลกบหัวผีของอาตมาจะม า, าสัมผัสและเติบโตเจิญขึ้นบไว้เวลาฤดูการที่ป่านคอยนี่สายใจคอปอ่อยทารรงเพราะศาสนาก็ยิ่งมีมากขึ้นผู้เทศนาธรรมมากขึ้น จนชาวบ้านเห็นเป็นเรื่องธรรมดาควายอยู่ได้แปลกปกเพรข้อเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลซึ่งเจอจริงแล้วไม่อยากจะเรียนเลยเพราะถึงเมื่อเรียนก็สามารถอ่านออกได้อยู่แล้วทั้งตัวหนังสือไทยหนังสือลาวหนังสือขอมเรื่องหนังสือนี่ธรรมารู้หมดไวยากรณ์อีมาโคดยิ่งรู้ดีที่สุดดังนั้นเมื่อธรรมาเข้าโรงเรียนประชาบาลเนี่ยประมาณครึ่งเดือนก็ลาออกเพราะไม่รู้จะเรียนไปทำไร ในอดะมารู้หนังสือทราบความรู้ผู้ทรอยู่แล้วพอรู้นี่มันติดตัวมาตั้งแต่าชาติกลางคอ่อนตอนอายุแปะปอบนี้อดรมารยิ่ยงมีสิตใจร้อนรุ่มเบื่อหน่ายชีวิตอะไรครอบครัวเป็นอย่างยิ่งมีความเบื่อหน่ายในภายในครอบครัน ม, มากยิ่งขึ้นอยู่บนบ้านไม่ได้ต้องมาหนังตามใต้ต้นไม้พอเข้าลงต้องเดินแล้วลอรอบหมู่บ้านอย่างน้อยสองรอบเพงจะกอับเข้ามาถึงบ้านของตอน หมู่บ้านนี้มีประมาณห้าร้อยหลังคาเลนเป็นหมู่บ้านใหญ่เมราอคืนก็เดินอยู่ในป่าช้าหลายชั่วโมงพอาไม่ง่วงนอนได้เดินไปในป่าช้ากลางค่ำกลางคืนแล้วโอ้สบายใจสบายใจมากเหลือเกนจิตใจมันร่าเริงบนลถึงสุขเรื่องความทุกข์ความกระตือรือร้นพ้นไปไกลแล้วจากบ้านเรือนชุมชนและจากโลกนี้ผคุยองอเดชสงสัยว่าเป็นเด็กเล็กอย่างนั้นออกไปเดินเที่ยววนเวียนอยู่ในป่าช้า ผีดิบคล่อมคืนหลึกเดืด่นอาตมาไม่กลัวผีหรืออย่างไรอาตมาขอถว่าความกล้าหาญก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีมันเป็นความรู้สึกที่เห็นตลาช่าผีดิบเป็นของธรรมดาคนตายพ็เป็นเรื่องธรรมดาหมดตายไปแล้วก็เป็นผีคําว่าผีในพรทศาสนาหมายถึงเปรตและสุรกายซึ่งอาตมาในวัยเด็กก็เห็นอีกว่าเป็นเรื่องธรรมดาหมดตายไแล้วก็ต้องเป็นผีทําไมเป็นผีก็ต้อง ไปสูงกว่านั้นคือเทวดาถ้าว่าผีหรือเทวดาก็เป็นผู้มีชีวิตจิตใจเหมือนเราทำไมจะต้องโดยถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดและต้องกลัวโดยเล่าเมื่อตมาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจก็สบายนะเมื่อคิดหน้าคิดหลังเมื่อคิดซ้ายให้คิดขวามาคิดบนมาคต่างนะทั้งบนทั้งหลังมาคิดจิตมันหมดค้ามบนมีแต่ความผ่องแพร่นะมีแต่ความสุข ถ้าไม่กลัวผีในความเมื่อแล้วไม่กลัวสัตว์ร้ายเช่นงูงนเออ ง, งี้ยวเคี้ยวขรังเริออนตัมมาราะเราว่าจิตใจของอนตัมมาตั้งแต่วัยสามปปเป็นต้นมาแล้วเห็นสัตว์ทุกชนิดแล้วเกิดความรักสงสารเป็นชีวิตจิตใจทีเดียวมีความรู้สึกเป็นมิตรกบสัตว์ทุกชนิดและเห็นว่าใเมื่อสัตว์ทุกชนิดก็มีความรู้สึกสุกและทุกข์มือนกัคนเราฉะนั้นเราเก็จะมีสภาพ เสมอเหมือนกันอาตมาเคยยกมือไหว้ปูงอีแรงนะจะึมาดูกินทราดพอยตายขานทุงอาตมาขอตอบะ่าพ่อเห็นนกแรงเป็นนกที่เป็นสัตนับบุญนะคนะ่าสัตวชีวิตของสัตว์อื่นบินเป็นภาหารอีแรงหรือนกแรงะจะกินแต่สัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้นและยังไม่ชอบเบียดยันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความระรอนิโด้วยมันสามารถบินได้สูงเหนือเมฆ เกงเหมือนเชียงเหยียบเม็ดในรอได้เรื่องยินนอกเยนือนั้น อ, นนอแล้วยังสายตาไกลนะนิ่สูงเหนือเมตสามารถมองเห็นฉากสาตาได้นระยะไกลได้ถึงร้อยใหม่นะโน้นน่าสัศจารย์ในเมื่อธรามามีนิสัยรักษา ท, ทุกชนิดก็คิดว่าสัตว์ทุกชนิดเป็นมิตรกับธรรมานั่นความกลัวจึงไม่มีถ้าสาัตว์เาด้านร้ายกันเองให้ได้รับบาดเจ็บหรือทำร้ายมนุษย์ให้ได้รับบาดเจ็ บ, บ อาตมาก็าหม่อนใจในตัวเองว่ามีวิชาคงพิเศษสามารถสามารถรักษาไอ ห, หายได้สรุปแล้วกิจของอตมาเชื่อมั่นว่าตัวเองมีอํานาจเหนือปอสตาทั้งหลายนั่นเองมีอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกคือในวัยแปดขวบเนี่ยอาตมามีใจรับฝปล่อยในทางมาหูดีดนตรีพื้นบ้านของอีสานทุกชนิดด้านหน้าของวงแคนกินซึ่งซออู่ซอร่วงซอแสงสาย คุยปีนอกปีน่้ธรรมาเลื่องดนตรีเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเองนะโดยไม่ต้องมีใครสอน้ยังชอบแต่งกรนนะแต่งกรนหมอลำอีกด้วยรำเองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรำกรนยาวกรนเดินโดมกรนหล่องโค้งรำหูไทยลำเพลินนี่ที่คิดดูก็แปลกมากในขณะที่คิดว่าธรรมาเป็นพระแทจ้จิตใจตัวหนึ่งกลัะชอบเพลงหมอรำ หมอแคนเนี่ยมาโหดดีหนตรีมันออกเดียวขาดขาดกันชอบโกรนอยู่ว่าเป็นพระครึ่งเป็นราวาสครึ่งก็คงจะเป็นได้น ะ, ะคงจะไป็นอันห<ม>ลังจะออกจากโรงเรียนเนี่ยานานก็เกิดความรู้สึกเบื่อหนาชีวิตภายในบ้านเรือนจนทนไม่ไหวที่นหน้นีออกจากบ้านไปอยู่วัดป่าโยทาประสิทธิ์ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณห้ากิโลเมตรเลยฝากรอเป็นสิของท่านเจ้าคุณ พระโคผาทธทำมายานเสื้นั่งกระด้รอบเอาไว้ดูวความเมตตาแต่หลังแผ่นได้สอบสวนสราบสยายแรงแรดูอยู่มีที่พอใจแล้วเห็นว่าตัตมาพระเด็กชายชันนะี่นะมีเกรียมระยะดูจับหมอะครานเข้าหาพระสองฆ์องค์เจ้าแล้วนั่งกยงกราบด้วยองค์ห้าเป็นแจงข้าะดีดอย่างนอกน้องแพ้่จะตดิสัยก็ดูอยู่มีความนอมเยี่ยมพนางพระศาสนา สมกับาจาที่จอบโตละมุนน้มอมจัดฉันชอบปนอยู่เมื่อธรรมะได้เข้ า, า ม, มาเปลี่ยนจิตว่าแล้วก็มีความปับปึ้มเบาใจบากายที่สามารถละความห่วงควาอะไรในยจ้าเรือนมาเสียได้แล้วคือเกิดความรู้สึกคล้ายกับว่าตนได้บวชเป็นสมเด็จแล้วอย่างนั่นแหละแต่ความที่มีฐานะเป็นเพียงรูปศิษพระหรือกบิลกยกลกเท่านั้นเอง มลนได้เป็นสิทธิของท่านเจ้าปูนพระโอภาธรรมายาแล้วอาตมาก ร, ระช่อจเจริญปุตตนรับใช้พระเนรในวัดด้วยความอ่อนใจใสสยอย่างยิ่งยวดเพราะถือว่าการได้รับใช้พเนรนันเป็นมูล ม, ม, มากซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไ ด, ได้นถึงเรื่องนี้กันเลยอาตมาทำนอย่างด้วยอารมณ์เบิกบานเห็นเป็นของสนุกสนานเช่นกว่าถูขัดพื้นบุติสลาก็าทําด้วยความปลื้มใจในะอันนี้สงที่ได้ับ ดังนั้นถึงยืนตั้งใจทำอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเหมือนเวลาตัวเองอาบน้ำสำหรับร่างกายอย่างนั้นแหละงาอนอื่นๆในวัดอาตมา ก, ก็ทำด้วยความเบิกบานใจในบุญที่ได้ทำเรื่องความเกลียดค้านไม่เคยคิดเนื่องจากเพราะตอนทุกสิ่งทุกอย่างจะได้บุญกุศลนั่นเองทำให้อาตมาเป็นเด็กเพราะที่ได้รับความเมตตาเอ็นดูจากพระนนในวัดเป็นอย่างดีคืนหนึ่งอาตมาผ่อนไปว่า มีผู้หญิงสาวสองคนสวยงามมากแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนางพยาสมอยโบราณอย่างที่เคยเห็นเป็นรูปวาดตามพระนัมบทแต่ทว่าสวยงามกว่ารูปวาดนั้นยิ่งนักเดวงห่งง า, งามละมุนอ่อนล้านเป็นรูปไข่งามผิวพรานยิ่งกว่าผิวของงาช้างเส้นผมยาวสลางเหมือนเม็ดดอแห่งกลางคืน ประดับด้วยมองกุฎเป็นดาวสุกใสด้วยความงามขุดพองประเสริฐมุนหินพัฒนาพรเครื่องทรงนั่นสีขาวส่งแสงสกาวเหมือนฟ้าแลบลุกหลกปราบขณะเคลื่อนไหวกายนะมีแสงไปได้ออกจากดวงมณีบนยอดมองกุฎดูคล้ายเป็นดาวดวงเล็กๆร่วงลงมาจากฟองฟ้าหน้าสดจัด านางผู้มีความสวยงามเหลือมนุษย์ได้เอ่ยเอือนว่าจะออกจากสิ่งศักดิงามเหมือนแก้วพระอันควาเลอะหวานยิ่งกว่าเสียงนกโหงวะดูก่อนผู้ฝ่อยทำเราได้พ่อตามรักษาทาา่านมาเป็นเวลาเป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้วต่อไปขั้นจะหมดนี่จะได้ร่วมก่อสร้างบรมีประพลอยชิ้นเสียงกล่าวของนางเทพธิดาพระของนางทั้งสองก็หายวอกไป อรราชมาก็จะเริ่มตื่นขึ้นมีความรู้สึกปิติยิ่มใจมากมายตั้งแต่นั้นมาจิตใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสถิตปัญญาบ้องใบขึ้นเข้าใจอะไรอะไรไดง่ายและดื้อลลึกซึ้งผิดธ ร, รรมดาเช่นได้ยินเสียงพัดฝนมนก็มองเกิดอาการสะอื้นซึ้งรังในหัวใจน้ำตาเ อ, อื่อยด้วยความปิติปราโมทย์หมดในตระกูลพระนามคุลพระสังฆกุล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 ถ้าจะพูดกันแบบวิชาการก็เรียกว่าพลังจิตอำนาจจิตที่เกิดจากสมาธิเราไม่เห็นบ่อยอย่างนั้นแต่จรรมาสมัจจรจะเรียกว่าพระธรรมดาลให้ธรรมาเห็นทางที่จะไปสู่อุทธธรรมเนี่จริงแน่นอนได้นเอง อ, อ, อ, อ่ะการอ่านหนังสือเรื่องลงใา้ใต้ก็จบวอกลงไปแล้วก็ขอ รัตนาคุณพระคุณเทพคุณสิ่งสิทธิ์ทั้งหลาย้ลอดทั้งจักรวาลจึงดดนบันดาลประทานพรให้ดันผู้ฟังที่รักทุกท่านย่อมประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัะนมุงคลสมบูรณ์คุณผลตลอด ต, ตลอดยาว ข, ขอถูกเป็นานันโดยเถิดขอเจริญพร